มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัติยวักพระวันตานังสังขารานังชาณนนะปัญหาที่ห้า ถามว่าสังขารบางเหล่าที่ไม่ได้มีนั้นบังเกิดมีขึ้นบ้างหรือว่าหามิได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาอื่นอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าเกจิสังขาราอันว่าสังขารธรรมบางเหล่าที่มิได้มีและสังขารบางเหล่า ที่มิได้มีนั้นชายันติย่อมบังเกิดขึ้นอย่างนี้มีบ้างหรือหาไม่ได้พระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่าขอถวายพระพรมีอยู่เออโยมจะใครรู้ว่าอย่างไรกระนั้นพระผู้เป็นเจ้าอ้อขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารปานประดุษราชฐานไม่มีมหาบ พ, พิษจะสถิตนั่งที่ไหน พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์จึงตรัสว่าถ้าหาราชฐานไม่โยมก็ไม่มีที่นั่งนั่นแหละสิผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงเปรียบว่าประการหนึ่งธรรมดาว่าไม้ก็เกิดในป่ามัตติกาดินเล่าก็มีอยู่กับปัท ภ, ภีคนทั้งหลายนี้จึงขุดเอาดินมาเป็นพื้นราชฐานจึงเอาไม้ในป่ามาทาเป็นเสาเป็นฝา เป็นหลังคาราชฐานก็ปูกระดานพื้นเรื่นราบเป็นอันดีเดิมนิเวศสถานยังไม่มีก็มีขึ้นด้วยคนกระทธรรมฉันใดขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสังขารบางเหล่าที่ไม่มีก็มีขึ้นเหมือนนิเวศสถานอันมิได้มีแล้วคนกระทธรรมให้มีขึ้นนั้นพระเจ้ากรุงมิลินผู้เป็นปิ่นมหายสวรรค์จึงมีพระราชองการตรัสว่า นี่หมือนพระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประหนึ่งว่าพืชทั้งหลายอันงอกขึ้นในแผ่นดินเดิมนั้นน้อยครั้นต่อมาก็โตใหญ่เป็นใบเป็นดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ครั้นต่อมาก็ตายไปไม่มี ครั้นต่อมากลับมีขึ้นชั้นใดก็ดีสังขารบางเหล่าที่ไม่มีกลับมีขึ้นดุดพืชไม่มีแล้วกลับมีขึ้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินมหายสวรรค์มีพระราชาองค์การให้พระนาคเสนนั้นกระทําอุปมาให้ปินโยภาวะยิ่งขึ้นไปพระนาคเสนจึงกระทําอุปมาอุปหมายว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดช่างหม้อไปขุดเอาดินในแผ่นดินจนลึกเป็นบ่อมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหาสารพัฒที่จะกระทําไปเป็นภาชนะดินไว้เดิมภาชนะนี้หามีไม่ก็มีขึ้นด้วยช่างหม้อกระทําขึ้นใหม่นี้เปรียบชั้นใดขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารสังขารบางเหล่า ที่ไม่มีก็มีขึ้นดุจภาชนะดินอันมีขึ้นด้วยช่างหม้อเขาปั้นไว้ฉะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองการตรัสให้พระนาคเกษกระทำอุปมาอุปไมให้ยิ่งขึ้นไปพระนาคเกษจึงกระทำอุปมาอุปไมว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุจหนึ่งใบพินมิได้มี หนังขึ้นก็มิได้มีคันพินก็มิได้มีลูกบิดก็มิได้มีสายมิได้มีสายโยงและนมมิได้มีบุรุษจะดีดสีกับอะไรจะยังเสียงพินให้ดังขึ้นจะได้ดีหรือหาม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกล่าวเจ้าธรณีมีพระราชโอการตรัสว่าเมื่อตัวพินหาไม่ได้จะเอาอะไรมาเป็นเสียงได้ พระนาคเษนจึงถวายพระพรต่อไปว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเล่าวีนายปัตตังสยาใบแห่งพินนั้นมีจำมังสียาหนังหุ้มขึ้นพินนั้นมีโทนิสยารางพินนั้นมีทันโดสียาคันพินนั้นมีอุปทานโนสียา ลูกขันพินนั้นก็มีตันติโยศยาสายพินนั้นก็มีโกโนศยาไหมโยงนั้นก็มีบุรุษจะดีดสีเสียงพินจะมีหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินทวีบเบียงชัยจึงตรัสว่าพินนั้นประกอบทำไม่แล้วเสียงก็จะไพเราะเมื่อดีดเข้าก็ดังสนอไปพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่า พินเขากระทำใหม่เดิมเขาหามไม่ไหมพินมีขึ้นใหม่ฉันใดก็ดีขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหิศราธิบดีสังขารที่ไม่มีมีขึ้นใหม่ก็มีอุปมาเหมือนกันพระเจ้ากรุงมิลินปินมหาสวรรค์จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าโยมอารัธนาพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นกว่านี้ พระนาเคเกษเถระจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหิสราธิบดีอรณีณสียาถ้าว่าแม่ไม้สีไยไม่มีลูกไม้สีไยก็ไม่มีเชือกที่ผูกไม้สีไยก็ไม่มีไม้ที่จะหนุนขึ้นไว้ก็ไม่มีปุ๋ยและฝอยในแม่ไม้สีใยไม่มี คนที่จะสีก็ไม่มีชายายะโสอคิเพลิงจะติดขึ้นเองหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัต ร, ตรติย์ตอบไปว่าหาไม่ได้พระนาคเษนจิงอุปมาต่อไปว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นใหญ่ถ้าว่าไม้แม่สีไฟมีอรณีโปตะโถลูกสีก็มีอรณีโยตตะกัง เชือกผูกมีอุตตรารณีไม้ที่จะหนุนไว้ก็มีโทษทกังสียาปุยฝอยภายในไม้แม่สีไฟมีทั้งคนสีก็มีเพลิงนั้นจะมีหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินประชาชนจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นแล้วก็มีไฟพระน่าเกษนจึงถวายพระพรว่าไม้แม่สีไฟเดิมหามีไห่ ครั้นมามีไม้แม่สีไฟไฟมีขึ้นชั้นใดก็ดีสังขารเดิมไม่มีกลับมีขึ้นดุดดังแม่ไม้สีไฟนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าโยมอรัธนานิมนุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้พระนาค เ, าเรจริงถวายพระพรว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบ่พิษพระราชสมผานผู้เป็นมหิสราธิบดีเปรียบประดุดแว่นแก้วมณีที่จะส่องไฟไม่มีทั้งแดดก็ไม่มีปุ๋ยที่จะรองภายใต้ก็ไม่มีไฟจะมีหรือว่าหาไม่ได้พระเจ้ากรุงนิลินจิงตรัสว่าถ้าฉะนั้นแล้วแว่นแก้วไม่มีจะได้ไฟที่ไหนมาพระนาคเสนอุปมาต่อไปว่า มหาราชะขอถวายพระพรบรมบพิษมหิสาธทิบดีเทวแวนแก้วมณีแสงสุริยะรังสีมีปุ๋ยที่ใส่ภายในก็มีคนส่องก็มีชนีจะมีเพลิงขึ้นหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกริยัตรัสตอบไปว่าถ้ากรณนั้นก็มีไฟพระนาคเษนถวายพระพรว่าความนี้เดิมแว่นส่องไฟไม่มี ก็ไม่มีไฟแว่นส่องไฟไม่มีขึ้นใหม่ไฟก็มีขึ้นฉนี้มีครุวนาฉันใดสังขารที่ไม่มีขึ้นแล้วมีไปก็มีครุวนาดังแว่นแก้วส่องไฟฉะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งกว่านี้ พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียปานประดุดดังว่ากระจกไม่มีแสงสุริยะรังสีซึ่งจะสว่างไม่มีหาคนที่จะส่องเข้าไปก็ไม่มีเงาคนจะมีที่กระจกหรือประการใดพระเจ้ากรุงมีลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าถ้าฉะนั้นเงาคนก็ไม่มี พระนาคเสนองค์อรหาธิบดีจึงอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบรมบพิษมหิศราธิบดีถ้ากระจกมีแสงสุริยะรังสีมีคนก็ส่องเข้าเงาในกระจกจะมีหรือหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าถ้าฉะนั้นแล้ว เงาก็มีนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็ถวายพระพรว่าฉันใดเล่าสังขารบางเหล่าที่ไม่มีก็มีขึ้นมีขรุวนาดุดกระจกไม่มีมีขึ้นมีคนส่องเข้าเงาก็มีนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเกษ็อุปมาดังนั้นเท้าเธอก็มีพระไทยสมนัปรีดา มีพระราชะองค์การตรัสว่ากันโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอุปมาณนี้สมควรแก่ปัญหาในการบัดนี้พระวันตานังสังขารานังชานณะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้